ขอไปที่หัวข้อต่อไปของมุมมองในเรื่องนี้มีบุคคลที่เขาจัดอันดับความรวยที่สุดไว้อยู่ประมาณ25ท่านเงินนี้ทำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าบุคคลเหล่านี้คือเศรษฐีที่ติดอันดับเราจะวางทีท่าอย่างไรในทรัพย์สิน ต, ต่างๆที่เราได้ยินได้รู้ได้เห็นข่าวของบุคคลเหล่านั้นเราจะวางทีท่าอย่างไรกับทรัพย์ที่เรามีอยู่เพื่อให้เป็นไปในการเจริญกุศลคุณงามความดีในแง่มุมที่ตั้งไว้คือสิกขาสามนั่นเองเจ้าค่ะขอกราบอร拉ธนาเจ้าค่ะหมายมายความว่าอย่างไงตั้งท่าทีกับทรัพย์คนอื่นหรือตั้ ง, งท่าทีกับทรัพย์ในกรณีที่เราได้เห็นบุคคลที่ร่ำรวยอย่างเนี้ยค่ะเป็นข่าวเนี่ย ใจของเราหลายคนหลายท่านก็เป็นไปในแต่ละประเด็นในแต่ละมุมมองทำยังไงเราจะถึงดำเนินจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเราจะหันกลับมามองทรัพย์ของเราอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลทรัพย์ผู้รักษาทรัพย์ผู้ใช้ทรัพย์เพื่อให้เป็นไปในกุศลคุณงามความดีตรงตรงนี้ตรงนี้ที่เขาได้มีทรัพย์มากนมีทรัพย์มากมีบริวารมากเนี่ย ยอมก็รู้นะว่าซับเนี่ยมันมาจากความไม่โลภคืออธินนาทานใช่ั้ยคือการคดคนให้เคนให้เขาทำลายความโลภพอทำลายความโลภแล้วเนี่ยอโลภาพมันเด่นงนั้นเขตของการมีซับคือความไม่โลภใครตัดความโลภได้ก็มีซั์มากซับเนี่ยมันไม่ใช่ไอ บุญที่จะทําให้ได้ทรัพเนี่ยมันมาจากเจตนาอยู่เจตนาที่จะสละเจตนาที่จะให้ให้สังเกต ด, ดูไหมว่าคนทําธุรกิจอย่างเดียวกันเนี่ยแต่ผลมันต่างกันผลต่างกันตรงนี้ถ้าถ้าเรามองด้านสัพพุริสทานก่อนนะก่อนที่จะมองบุคคลเหล่า น, นี้เรามองด้านสัพพุริสทานสัพพุริสทานน่มีห้าข้อทานของสัตว์บุรุษก่อน แล้วมาเปรียบเทียบจะเห็นชัด 1. การให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในคุณความดีในคุณของพระรัตนตรยัยจะทําให้มีทรัพย์มากมีความมั่งคั่งมากและก็เป็นผู้ที่มีงดงามในด้านของรูปร่างก็แปลว่าหนึ่งสรีละก็งดงามพิุพันธุ์ก็งดงามด้วยแล้วก็มีทรัพย์มากด้วยนี่นี้มีข้อแรกข้อที่สองให้ทานด้วยความนอบน้อมมีรัพย์มากบริวารมากและบุตรบริวารก็เชื่อฟังคอยเอาอกเอาใจ ข้อที่สามการลทานให้ทันเหมาะสมแก่การแก่เวลาเบ็ดเสร็จเนี่ยก็เป็นคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่ปฐมวัยมาชิมวัตยตัทยาวัยคือให้เหมาะสมต่อการประการที่ห้าให้โดยสละขาดให้โดยไม่ยึดติดก็จะทําให้มีทรัพย์มากมีบริวารมากแต่ก็เป็นผู้ใช้ทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายไม่เหมือนกับคนแก่ได้ทรัพย์มาแค่เป็นแค่ลูกจา้างเฝ้าทรัพย์ไม่กล้าใช้ทรัพย์ไม่ใช่อย่างนั้นประการที่ห้าก็คือ ให้ทานแบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นอันนี้ทั้งพูดมาทั้งหมดมีศีลกํากับหมดนะที่จะมาเป็นมนุษย์ได้พระศาสดาอนุญาตไว้สําหรับผู้มีศีลใช่ไหมถ้าไม่มีศีลให้ทานก็รวยได้สัตว์ดิเรกชันก็รวยเยอะแยะพญานาคก็รวยก็เป็นดับายาสัตว์แต่ไม่แต่การจะมีทรับมากเพราศีลมีศีลกํากับทานอยู่ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นเมื่อให้ทานด้วยมีศีลทั้งหข้อดีด้วยและไม่กระทบตนและบุคคลอื่น ทรัพน์นั้นก็ไม่วิบัติไปเพราะน้ําเพราะไฟเพราะลมเพ่อแผ่นดินไหวเพ่อโจรป้นเพราะถูกริบรอนเห็นไหมสรุปก็คือว่าเราก็เริ่มเห็นเหตุแล้วเหตุแห่งความร่ํารวยทั้งหลายมันมาจากฐานอกุศลเหตุแห่งความยากจนทั้งหลายมันมาจากการไม่ให้ถ้ารู้อย่างนี้เอามาดูแล้วามาไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเนี่ยเออไม่ตื่นเต้นเลยที่ไม่ตื่นเต้นเพราะเอามารู้เหตุของความร่ํารวยและยากจน รู้เหตุและเอามาเนี่ยเคยเห็นเคยรู้คนที่ร่ํารวยกว่า น, นี้มาเยอะรวยอย่างสิบท่านเนี่ยถ้าดูแล้วก็ถือว่าเป็นรวยแบบโลกโลกรวยซึ่งไม่ได้มากมายอะไรเลยนะไม่รวยอย่างพระโพธิสัตว์รวยใช่ไหมพระเจ้ามันาธาตุราชเนี่ยวันดีคืนดีออกมานอกตบตบพระหัตถ์สามครั้งเนี่ยฝนเงินฝนทองกัหาบนาะล่วงบรรยากาศเต็มไปหมดเลย ถ้าอย่างนี้รวยจริงอย่างนี้รวยจริงๆเลยนะต้องยอมรับ ว, ว่าบุญท่านดีมากๆเลยอย่างนี้เขาเรียกเป็นเป็นทานกุศลระดับชั้นกลางๆไม่ใช่ชั้นปรณีตแต่ทานกุศลกลางๆก็จริงอยู่แต่กลางๆแบบบกพร่องด้วยนะจะเชื่อเห็นบางท่านเนี่ยนะรวยจริงอยู่อ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาเลย ต้องต่อสู้ดิ้นรนตลอดเวลาหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นระบบธุรกิจที่ค่อนข้างหมุนอยู่ตลอดเวลาด้วยออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นออกมาเป็นซับเป็นบ้านเป็นรถเป็นบริษทัทเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีหุ้นส่วนอยู่เยอะแยะไปเสด็จแล้วใจก็ไม่ค่อยดีไม่รู้บริษัทนั้นจะขาดทุนจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังเกิดภาวะซึนามิอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ย ต้องคิดดูที่เนี่ยบริษัทเงินทุนเอยบริษัทค้ำประกันอะไรทั้งหลายเจ๊งละเนีย่ยนะน่านู่มแค่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีอยู่ปีหนึ่งไหมพอเกิดซีนามิขลม่มปึ๊บเดียวแค่นั้นแหละเล่นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนี่ น, นี่มองให้เห็นว่าไม่ได้แข็งแรงเลยเนะผลของบุญเนี่ยไม่แข็งแรงถ้าเรามองอย่างนี้เอามายกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งยอมจําได้ใช่ไหมว่า ลายตาเลยเร็วเหลือเกินคืออย่างนี้นะว่าจะยอมฟังทันไหมไม่ไม่รู้ยมจะฟังหรือจะมองภาพดีก็ก็คือถ้าเรามองอย่างนี้นะเราก็จะเห็นว่าจะเห็นอะไรจะเห็นว่าตัวตัวผลของบุญเนี่ยตอนที่พระโมคคัลลานะ ขึ้นไปบนชั้นดาวดึงบุญของเท้าสกะบนเท้าสกาเนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองชั้นดาวดึงถามว่าเท้าสกาเนี่บุญมั่นคงกว่ามนุษย์หลายล้านเท่าไหมมั่นคงกว่าไหมมั่นคงกว่ามากเลยมีอยู่วันหนึ่งเท้าสกะมาฟังธรรมจากพระเจ้าที่บุพารามเนี่แลยทีนี้พระโมคคัลลานะอยู่ก็ละห้องกับพระเจ้าเพราะประสาทของนาง วิสาขานี่เป็นสองชัน้นขนาดห้องติด ก, กันกับพระบรมศ า, ศาสดานี่นะเทวดามาเฝ้าพระาศาสดาพร้อมด้วยบริวารพระเจ้าแสดงธรรมพระโมคคัลลานะไม่ได้ยินพระพุทธเจ้านี้คือมีความพิเศษมากถ้าพระาศาสดาปราถนาจะให้ใครได้ยินก็ได้ยินเอาอะไรอุดหูก็ได้ยินนี่นี่คือความพิเศษของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระาศาสดาบอกว่าไม่ปราถนาจะให้ได้ยินเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงเนี้ย ให้ได้ยินแค่หนึ่งคนเนะี่ยพูดอย่างนี้ก็ได้ยินแค่คนอย่างงี้นะนั่นคือพระพุทธเนะจ้าเนี่ยพระเจ้าจักเป็นเช่นนี้ตอนนั้นพระโมฆลลานะไม่ได้ยินพราะพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์นั่นเองมีพุทธประสงคนะ์ไงบอกว่าเทวดาเนี่ยเท้าสากัดเดี๋ยวขึ้นไปบนดาวดึงเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหะแล้วรู้แน่นอนพระโมฆลลานะต้องตามไปถามเท้าสากัดว่าฟังอะไรก็พระเจ้าพูดถึงอะไรแล้วพระโมฆลลานะต้องเตือนแนะ่อย่างงี้นะแล้วก็เป็นอย่างว่า พอท้าวสกะฟังธรรมเสร็จเสร็จก็รีบขึ้นสวรรค์ลแล้วพอไปวันนั้นก็ลืมเลยใช่ไหมฟังเรื่องอะไรมาก็ลืมเหมือนโยมนี่แหละ <laughs> <laughs> พอพอฟังเสร็จใช่ไหมเอามาถามโยมว่านั่งรถฟังธรรมมาฟังเรื่องอะไรโยมบอกเดี๋ยวนี้ก่อนจาไม่ได้ <laughs> ไนี่เนี่ยก็เหมือนท้าวสกะตอนนั้นนะตอนนั้นตอนท้าวสกาท้าวสกะท่านก็ลืมเพราะอะไรรู้ไหม งานสโมสรท่านเยอะถือ ง, งานเกี่ยวเพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยใครไปลืมเนื้อลืมตัวหมดก็ขนาดขนาดอาณาถาปิณเทกาเสถีที่ท่านตายเนียไปเกิดบนชั้นดุสิต ท, ท่านบอกโอ้ oh, ตะลึงซับของท่านเลยก็ท่านเลีนปลูพรมเลยใช่ไหมบูชาพระรัตนตรัยขนาดนั้นเนี่ยซับมะฮืมาเลยท่านบอกโอ้ oh, เดี๋ยวต้องรีบไปเฝ้าพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมก่อน ต้องรีบมาเฝ้าพระเจ้ารายงานเบรเสร็จว่าตนเองอยู่ชั้นนั้นอะไรต่าง ๆ, ๆแล้วกลับขึ้นไปตอนนี้ไม่เคยคิดถึงพวกเราเลยเห็นไหมเพราะพวกเรายังไม่มีคุณสมบัติที่ท่านอยากจะมาเตือนใช่ไหมนี่มันการท้าท้าสกาก็ลืมพระโมคคัลลานะก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปก็ถามท้าว โ, โกสีเมื่อคืนนี้ไปฟังทาจากพระบรมศาสดาพระศาสด า, สดาแสดงเรื่องอะไรไปถามานี่นะ เท้าสาก่าก็มัวจ ะ, จะสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจแม้กระทั่งคำถามไม่แคบเลยนะอยากจะอวดสมบัติของตอนเองว่านี่ไงบุญของโยมอวดเวชยันประสาทขนาดใหญ่อวดเหล่านางเทพธิดาทั้งหลายอยู่แต่ละชั้นแต่ละชั้นน่ยเท้าสาก่านี่มีบริวารเฉพาะนางสนมกำนันเนี่ยสามโกรธครึ่งเฉพาะนางสนมกำนันเนี่ยสามโกรธครึ่ ง, โ ก, ง, โ, กงโกรธหนึ่งสิบล้าน นั่นแหละคือเตาเพลิงหมดเลยยอมเนี่ยเตาเพลิงระาษาสดาวันนี้เตาไฟชัดเลยเนี่ยแต่ละแต่ละคนแต่ละขันแต่ละขันคือหนึ่งเตาหนึ่งเตา น, ตานโโะโอ้โหพโมคลาน่าเห็นบงเม่ท้าโกสีประมาทนักอยากกันนั้นเลยจะได้ท้าเธอได้รู้สถทีว่าจริงๆเนี่ยสมบัติที่ว่ามั่นคงไม่ได้มั่นคงอะไรเลยท่านก็เข้าสมาบัตใช้ตใช้เท้ า, ใ ช, ทาใช้ปลายปลายนิ้วเท้า สกิจเวช ย, ยันประสาทนิดเดียวแผ่นดินไหวโย่แผ่นดินไห ว, ไหวยอดของเวช ย, ยันประสาทเนี่ยแทบทิ่มติดพื้นเลยดีนะระบบการก่อสร้างดีได้บุญเนะ่ถ้าเป็นประเทศไทยเรียบร้อยไม่ไหวบุญไม่แข็งแรงบุญไม่แข็งแรงเวช ย, ยันประสาทนี่เพราะบุญท่านดีแต่ว่าตกใจกันทั้งประเทศเลยตกใจแล้วโหย คนกลัวที่สุดคิดถึงใครคิดถึงพระรตนาตรายัยไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วเนี่ยจะอวดพระเถระหน่อยว่าบุญพระเถระเห็นไหมนะอิทธิปฏิหารที่ทรงใช้ที่ท่านใช้เนี่ยเป็นสมบัติของพระเจ้าให้ท่านนะแต่ต้องการใช้ให้รู้ตัวว่ามัวประมาททําไมแค่สมบัติแค่นี้ไม่ได้มีสาระของความงามและความเที่ยงเลยแค่ปลายนิ้วเท้าของพระเถระนิดเดียวสกิดนิดเดียวก็หวั่นไหวแล้ว เนี่ยใช่ไมแค่โลกวั่นไหวแค่นี้ยเราก็เห็นแล้ววันนี้ไถ้าระดับพระเถราในสมัยกังพุทธกาลเนี่ยแต่สมัยปัจจุบั น, น้อาแํา <laughs> สมัแต่ให้รู้ว่าจริงๆสมบัติเมถาวรใดๆที่นี่มองให้เห็นความไม่เที่ยงของสมบัติกับวิบัติมาคู่กันใช่ไหมมันมีสมบัติเดี๋ยวก็เข้าถึงความวิบัติตรงนี้ถ้าถามบอกว่าความรวยเนี่ยมาเพราะบุญนะให้พิจารณาว่ามาเพราะทานกุศลกสีน ถ้าถามว่าทําไมบางคนเนี่ยได้ทรัพย์มาแล้วก็ก็วิบัติเพรทรัพย์เพราะอะไรสถานภาพของเจ้าของทรัพย์นะบุญก็ค่อยๆล่วงลงฉะนั้นถ้าคนฉลาดก็เติมบุญให้เป็นนี่เขาจะรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาไม่รู้เขาไม่ฟังธรรมแต่เขาคิดว่าเขาฉลาดเขาก็ต่อสู้เขาคิดแค่ น, นั้นแต่เขาไม่รู้เหตุในอดีตแต่เขารู้เหตุปัจจุบันไง บางคนไม่รู้เหตุในอดีตแต่เขารู้เหตุปัจจุบันเขาก็ทําปัจจุบันกรรมไม่ถูกแต่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าในขณะเขาทำเนี่ยเขาทําถูกต้องอย่างไรเหตุของความร่ํารวยมาจากการให้การสละถ้าไม่ให้ไม่สละเนี่ยคนที่สามารถให้สละถ้าคนยิ่งโลภมากๆนายยึดมากๆทําผิดมากๆที่สุจริงก็เจ๊แต่ถ้าคนสละเป็นแล้วก็จเจริญกุศลเป็นที่จริงก็พ่อปูนทรัพย์ เจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่มีการให้การสละก็เพิ่มพูนทรัพย์แต่ทรัพย์ก็เป็นมรเมื่อได้มาแล้วแต่ทรัพย์นั้นไม่เที่ยงนะเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยเราจะเอาทรัพย์นั้นเนี่ยจเจริญกุศลต่ออย่างไรให้คิดอย่างนี้ถามว่าเมื่อกี้ไม่ทีถามบอกว่าจะตั้งท่าทีต่อการอยู่กับทรัพย์ด้วยและการมองด้วยหนึ่งมองแล้วต้องให้ได้ข้อคิดว่าเขามาได้บุญแต่เป็นผลบุญที่ไม่เที่ยง เป็นผลบุญที่มีการเปลี่ยนผันอย่างรวดเร็วนะฉะนั้นหันมาดูทรัพย์เราถึงแม้ไม่เท่าเขาน้อยนิดเนี่ยนแต่เราก็จะดูแลทรัพย์และในส่วนหนึ่งเราจะต้องสละทรัพย์ในการเจริญกุศลเพื่ออะไรเพื่อเป็นปัจจัยใบการเดินไปในสังสารวัฏอย่างไม่เจ็บปวดและเราจะสละแบบเป็นด้วยสละแบบสัพพุริสถานอย่างเมื่อเช้าที่พูดเขาไว้ใช่ไหม ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกการให้สละขาดให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ใจดีขณะให้ก็เลื่อมใสหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับยานนะะปัญญาถ้าอย่างนี้ก็มองสถานการณ์ก็ขาดเลยพอจะต่อประเด็นได้เหมเมื่อสักครู่แล้วก็ปลื้มใจในรั์ ของเขา้าแต่ก็ให้พิจรารณาน้องเราลึกว่าเข้ามาด้วยบุญนะคะทรัพท์ที่เรามีวันนี้จะน้อยหรือมากก็เป็นการวัดบุญในอดีตแล้วก็ความบริยะในปัจจุบันเหมือนกันนะคะก็แล้วภาพเหล่านี้ล่ะคะท่านพระอาจารย์แล้วบุคคลเหล่านี้ล่ะซึ่งเราก็ได้ประสบพบเห็นนะคะเราจะพิจรารณาอย่างไงวางใจอย่างไงแล้วสิ่งเหล่านี้ อย่าลืมว่าอาจจะยังไม่พ้นไปจากความเป็นเราในอนาคตในสังสารวัตรค่ะเออถ้าถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นนะคนคนยากจนเออภาพอย่างนี้เห็นไหมอารมณ์ก็จะต่างกันเลยในขณะที่เรามองมองคนมีทรัพย์ความคิดก็อย่างมองคนยากไร้ความคิดก็อย่างเอ๊ะยอมลองถามใจตนเองทีว่ามันฟูขึ้นแล้วแฟบลงไหม ถ้าเราฟูขึ้นแล้วแฟบลงเนี่ยพุทธเจ้าบอกวางใจผิดเพราะอันนี้มันวัตถุกรมเมื่อเห็นความเจริญของโภคทรัพย์ก็อย่าฟูขึ้นเมื่อเห็นความย่อยยับของโภคทรัพย์ก็อย่าแฟบลงเพราะวัตถุกรรมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของเก่ามันเป็นมานานแล้วมันเป็นธรรมะคู่กับโลกมีทรัพย์แล้วก็เสียทรัพย์ มีราบมันเป็นของคู่กับกระแสชีวิตทุกชีวิตเขาเรียกว่าตรงนี้ตั้งหลักให้ได้ตั้งหลักให้ได้แล้วก็มองให้เรากําลังเห็นผลของกรรมเมื่อสักครู่เราเห็นผลของกุศลกรรมของฐานกุศลศีลกุศลให้ผลก็เลื่องล่า ด, ดีใจตอนนี้เราเห็นผลของอกุศลกรรมใช่ไหมความยากไร้ยังไงเพราะการไม่ให้เพราะการไม่สลัดเพราะการไม่รักษาศีลเป็นปต้นทําให้ตนเองต้องเกิดมา ตรกูลต่าเป็นต้นเราเนี่ยนะแล้วก็กด้อยทรัพย์พอเราเห็นอย่างนี้ก็คิดถึงกรรมทั้งสองกลุ่มสอนอะไรเราท่านทั้งหลายสอนเราว่านี่ไงตราบใดที่เรายังต้องเวียนไหวาตายเกิดอยู่เนี่ยเราเคยเป็นแล้วเราจะต้องไปเป็นนะถ้ามันไม่พ้นจากสังสารวัฏพระเจ้าบอกว่าถ้าเจริญทานกุศลนะ ตัวอย่างนะถ้าเจริญทานกุศลนะปราถนาเครื่อหอบุดีมหาศาลกษัตริย์มหาศาลพระมณามหาศาลปรารถนาจารตมหาราชกาเตาติงสายามาดุสิตานิมานรดีก็สระทานกุศลรักษาศีลไปตั้งจิตปราถนาอย่างนี้เบียเศษนะถ้าเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนั้นให้ผลก็ไปได้ฐานะนั้นจริงๆแต่พอได้เบียเศษนั้นพอสิ้นกรรมสิ้นฤิธสิ้นยอดหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีก หมายความว่ากลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกอีกกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกลับมาเกิดเป็นเปรตอีกเป็นอสุรกายอีกเป็นมนุษย์อีกอยเป็นต้นมันก็ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เห็นไหมมันวนกลับเนี้ยอันนี้เรียกตั้งไม่สุดเอาไม่แล้วต้องมาเรียนใหม่ต้องมาเหนื่อยใหม่ต้องมาผ่าตัดใหม่ต้องมาถูกเจาะใหม่ถูกทิ่มถูกแทงใหม่แล้วบางคราวก็ต้องมายากจนใหม่เห็นไหมเราจะมองเห็นว่าเนี่ยบอกว่าการให้แล้วมีศีลด้วยก็เป็นเหตุถึงการมีทรัพย์ ถ้าไม่ให้ไม่มีศีลก็เป็นเหตุการด้อยทรัพย์ยิ่งถ้าไม่มีศีลเอาซะเลยนี่ก็ลงอบายภูมิไปไงกรรมมันก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดถ้าเราเห็นถามว่าสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราเคยเป็นและจะไปเป็นถ้าเรารู้อย่างนี้จะสะเทือนใจสิ่งที่เราเห็นนี่นะสิ่งที่เราเคยเป็นแล้วจะไปเป็นอีกถ้ายังไม่พ้นจากวัฏฏะทุกถ้าไปถ้าเรามองทั้งสองมุมนะว่า ไปมีทรพัพย์ก็ก็ทุกถ้ามองอย่างนี้นะสมมุติมองอย่างนี้จริงๆนะไปด้ยทรัพย์ก็ทุกเพราะชีวิตมันเป็นไปกับการดิ้นรนต่อสู้ต้องกระเสือกกระสนชีวิตอย่างนี้พระาศาสดาก็เลยตั้งอาจให้ตั้งอัตยาไัยว่าให้เจริญทานศีลภาวนาเพื่อเป็นปัจจัยกับการสิ้นจากวัฏฏะทุกข์เสียจะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกก็คือเจริญทานกุศลศีลกุศลเพื่อเป็นปัจจัยแก่สมถาวิปัสนาประดับตกแต่งจิตให้มัน่น แล้วเอาเป็นฐานแก่การเดินศีลสมาธิปัญญานั่แหละในการที่จะออกจากวัฏทุกเสียจะได้ไม่กลับมาเจ็บปวดทั้งมีทรัพ์และดอยรัพระอาจารย์เจ้าคอยากจะขออนุญาตถามตามคำถามที่มีนักศึกษาส่งมาค่ะคือว่าในรกรณีแรกที่เราดูก็คือภาพของความมั่งคั่งในประเด็นที่สองเราก็มาเจอภาพของตรงกันข้ามคือความยากจน การที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มั่งคัง่งเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ยากจนเนี่ยครพระอาจารย์ก็กรุณาบอกเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเคยเป็นและเราจักลับไปเป็นอีกเราจะรักษาชีวิตของเราหรือว่าใช้ชีวิตของเราในกุศลคุณงามความดีอย่างไรล่ะเพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่มีความพอเหมาะพอควรแก่ทรัพย์ในสังสารวัตที่จะเป็น จะได้ไม่ลำบากมากนักในการที่เราจะเดินอยู่บนเส้นทางของความเป็นมนุษย์เจ้าค่ะตรงนี้ต้องถามตรงนี้ที่นั่งกันตรงนี้หน่อยว่าใครคิดอยากกลับมาในจเจริญกุศลไปเป็นคนรวยเสร็จแล้วตายไปแล้วกลับมาเป็นอย่างนี้อีกหรือไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมก็กลับมาอย่างนี้อีกไปเป็นเทวดาหมดฤทธิ์หม ด, ด, หมดสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์หมดฤทธิ์สิ้นความใหญ่ ก, กลับมาอีก คำว่ากลับมาอีกไปรวมแต่ใบพูมก็ได้นะแล้วแต่ใครนี่นะเดินไปเป็นเทวดาชาติอมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมาดรดีปรณิมิสวาสวสดีบางกลุ่มไปถึงพรมเลยนะได้สมาบะไ ด, ไ ด, ไ, ดได้ได้ชันเนี่ยแต่ในส่วนจริงก็ไปไม่สุดยอดที่ทีกลับมาเพื่อเป็นอย่างนี้อีกใครต้องการแบบนี้ไหมไม่ต้องการเลยเอาที่นั่งอยู่ยวนี้หรือยังไม่ได้คิดอะไรเลยไปเรื่อยๆก่อนฮ่าทำไง อ๋เอเายังไม่ทุกพอไม่ต้องอยากลองก็มีอยู่ใช่ไหมบางคนก็ไม่ใช่อยากจะคิดอยากจะไปพ้นทุกข์จริงๆริงใช่ไหมพอคิดว่าชีวิตมันยังหน้าต่อสู้อยู่และนอกนั้นที่เฉยๆคิดยังไงอยากจะกลับมาเป็นอย่างนี้อีกไหมคำว่าในในพุทธโพธิท่านบอกว่าพอสิ้นกรรม สิ้นฤทิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยคำว่าอย่างนี้หมายความว่ากลับมาเป็นสัตว์นรกอีกกลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกลับมาเกิดเป็นเปรตอีกกับสุรกายอีกหรือมนุษย์บ้าใบ้บอดหนวกยากจนเป็นต้นอย่างนี้อีกและบางคราวก็เป็นเศรษฐีอีกว่าไปทำกุศลว่าทาชั่วก็ลงอาบายนี่นะพอทำดีก็ขึ้นเป็นความเป็นใหญ่สักพักหนึ่งหมดสิ้นความสิ้นฤทิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ตกมาอีกต้องการหมุนอยู่ในวัตฏอย่างนี้ไหม ถ้าตรงนี้นี่แหละพระศาสดาจึงบอกช่องทางบอกว่าเพราะเจริญทานเจริญศีลไม่เป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ได้จริงพระศาสดาก็เลยบอกแนวทางประการที่8นะในทานุปฏิสูตรบอกบอกว่าจิตตาจิตตังจิตตารัางกาลางังจิตตาบริขาลางังบอกว่าให้เจริญทานกุศลศีลกุศลเพื่อประดับตกแต่งจิต ให้เป็นอลังการล ะ, ะให้เป็นอลังการละประดับตกแต่งจิตทำยังไงก็คือว่าจะเลินทานขับเน้นทานในกุศลเข้าสู่ศีลเพราะทานเป็นการสละเป็นการให้เมื่อให้ได้แล้วเบ็เสร็จก็เริ่มเดินศีลการเดินศีลไม่ใช่เดินอย่างที่เราเข้าใจกันเลยนะเรานึกว่ารักษาศีลกับสมาทานกับสมาท า, า, านอยู่แค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่เลยต้องสา ม, มารถ เพราะทานเป็นมหัาเพราะศีลเป็นมหาทานยอมยอมต้องให้อะทานกุศลคือการให้คือการสละใช่ไหมแต่พ่อศีลกุศลก็คือให้เหมือนกันให้ชีวิตนี่เป็นข้อแรกเลยให้ชีวิตให้การไม่เบียดเบี้ยนไม่ใช่ให้หนึ่งชีวิตนะให้ทุกชีวิตการที่ยอมจะให้ชีวิตคนได้ทุกชีวิตเน่ยต้องมาจากการตรึกการน้อมเองต้องมีเจตนาที่มาจากการตรึกการน้อมจริงๆที่จะให้จริงๆ ไม่ใช่อยู่ๆรักษาศีลแต่ก็เฉยๆมึนๆไม่ใช่เลยมันเกี่ยวกับารตั้งเจตนาที่จะให้ชีวิตเขาได้จริงๆและจิตนั้นต้องออกไปที่บุคคลนั้นจริงๆและไปให้การไม่เบียดเบียนให้ชีวิตเขาจริงๆให้ความปลอดภัยเขาจริงๆนี่เขาเรียกศีลข้อแรกมันเดินได้โดยการที่เอาชีวิตทุกชีวิตที่เราสามารถน้อมจิตได้เอามาเป็นอารมณ์เพื่อไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขายมทําแบบนี้จริงไม่ศีลข้อแรกอะอย่างนี้เขาเรียกให้ ทำแบบนี้ไหมดงั้นบบเราเรานึกถึงใครเนี่ยเรานึกให้ชีวิตเขาเลยไหมให้ชีวิตให้ความปลอดภัยเขาจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลข้อที่หนึ่งมันถึงจะเดินได้ด้วยการให้แบบนี้เขาเรียกสล ะ, น, ะนั่นเองอย่างที่ท่านหมหาอํานาจราตโนท่านใช้คําว่าถวายเป็นวุทถบูชาเห็น ไ, ไหมเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้ น, นั่นเองพอเข้าสู่เป็นทานแล้วพัฒนาสู่ศีลก็ให้ชีวิตเลย ถามว่าเมื่อเราให้ชีวิตตอนนั้นจิตเรามีศีลไหมมีเจตนาศีลมีเจตสิกศีลใช่ไหมเมื่อมีกุศลศีลเกิดขึ้นกุศลธรรมเหล่า น, นั้นเป็นธรรมะไหมเป็นเป็นกุศลธรรมไหมถ้าเราจะทําธรรมะบูชาเราก็ทํำยังไงดีน้อมกุศลธรรมถวายเป็นพุทธบูชาได้ไหมเห็นไหมเราก็ยังทําได้เห็นไหมตั้งหลายชั้นในรายละเอียดมันเยอะไงแล้วข้อที่สองเราให้ได้ไหมทรัพย์ของใครก็จงเป็นของท่านพุทธนั้น ขอให้ท่านคนนั้นอยู่กับซัพย์เหล่านั้นด้วยความอยู่รอดปลอดภัยเราจะไม่คิดเบียดเบียนรัพย์ของใครนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เขามีความสุขกับซับสมบัตินั้นนัเถอะแล้วให้ทุกคนอยู่กับซับของเขาเราไม่คิดแม้จะเบียดเบียนรัพย์ของเขานี่ถือว่าให้ศีลข้อที่สอง ด, like <coś ix asti> ดำเนินไปแล้วตรงเนี้เป็นเหตุถึงความร่ํารวยเป็นเหตุถึงความไม่บกพร่องกับซับเพราะเราไม่ได้ให้แบบนี้ยังไงทซั์มันถึงโคถึงไม่ค่อยอยากอยู่กับเราใช่ไหมใครเห็นก็อยากจะได้ทรัพย์เราเรื่อยเลย อยากจะแข่งขันกับเราเรื่อยๆจะมาถ้าคนเจริญอย่างนี้เบียเศต์มีใครเห็นมีคนอยากจะช่วยนะโอ้โหเห็นท่านคนนี้เราอยากช่วยจริงๆเพราะจิตที่น้อมให้เข้ามาตลอดเนี่ยแล้วก็ไล่ไปตามลําดับทุกข้อในรายะเดียรให้ความให้ความไม่แตกแยกในคู่ครองเขาคู่ครองของใครก็จงเป็นของคุณนั้นจงอยู่กันด้วยความผาสุกเราจะไม่คิดพลาคู่ครองทุกคู่ครองในโลกใบนี้เราจะไม่คิดพลาดของใครเลยนี่คิดอย่างเนี้ยมหาศาลไหม อย่างนี้เรียกเป็นเขาเรียกมหาทานแล้วเราจะให้คำสัตว์คำจริงมีพูดเทสเราจะให้คำไม่แตกแยกให้สมัครคำสมัรสมานสามะคีเราจะให้คำวาจาอ่อนหวานและไพเราะเราจะให้สิ่งคำที่พูดที่เป็นประโยชน์เป็นสาระให้เป็นคำสอนเราจะให้ความไม่ประมาทมัวเมาศี่ห้ามันเดินอย่างนี้โยมมันเดินจากจิตที่คิดจะให้แล้วจริงๆชีวิตจริงเดินแบบนี้ อย่างนี้เขาเยพัฒนาศีลเมื่อพัฒนาอย่างนี้จิตเริ่มถูกประดับหรือยังเริ่มถูกตกแต่งหรือยังเริ่มเป็นอลังการละหรือยังเริ่มลดงดงามหรือยังต่อไปก็จะตั้งต่อไปปลาโมดจะเกิดง่ายพอะปลาโมดเกิดก็เกิดควะเกิดปีติเคยรักษาศีลให้ทานรักษาศีลแล้วปีติเกิดไหมที่เป็นไปกัญญาณะเป็นไปกับปัญญาแล้วเคยเกิดความสงบไหมคิดทีไรแลสมาธิตั้งได้ไหม นั่นแหละก็จะเป็นฐานของสมถะหรือปัสสนาเป็นต้นได้นี่เป็นอย่างนี้